กำเนียนถามหลวงพ่อครับเใ น, ในเช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่หลวงพ่อบวชไปแล้วครับผมไม่ได้ไปก า, ายวินภาค ห, หลังจากหลวงพ่อบวชไแล้วผมไม่ได้ไปกากาคหลวงพ่ออีกครับแต่ว่าได้ไปพบครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านแนะนําให้ดูดูอาการเต้นตรงดินปี่นะครับมันตุ๊บตุ๊ บ, บุ๊บตุ๊บประมาณนี้ครับเหมือนคล้ายๆจงังหวะเดียวกับการอาชีพจรคล้ายๆครับผมก็ได้อาศัยอันนี้ในในห้วงระยะเวลา ที่หลวงพ่อบวชไปแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมภาวนาด้วยการอนาปนานสติแต่ว่าอาจจะทำไม่มากเพียงพอที่สมควรนะครับวันทีก็หลับไปเป็นส่วนใหญ่จะหลับนะครับแต่พอมาอุบายที่อาจารย์ท่านนี้แนะนำนะครับก็รู้สึกว่ามันมันง่ายง่ายที่จะ จะไม่หลับไปะนะครับแล้วก็ใช้เวลาในปัจจุบันคือไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาประมาณนี้ครับอยู่กับปัจจุบันนี้ซึ่งก็ในระยะหลังก็ทำอย่างนี้มาเสมอเสร็จแล้วพอมาเจอหลายๆท่านได้พูดคุยกันก็มีการมีความเห็นว่าอันนี้มันไม่ถูกทางประมาณนั้นนะครับผมก็าบเรียกถามถามแล้วเพราะว่าแต่ผมเขาดส่วนตัวผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นคล้ายๆเป็นที่ เป็นที่ยืนของของของความรู้สึกกันนะครับที่เป็นเป็นหลักสําหรับยืนประมาณเนี่ยเพื่อเป็นธรรมะประมาณนี้ครับอะไรกาบดาทามอย่างนี้เพราะว่าในในในจิตผมที่ที่ทําอย่างนี้อยู่เนี่ยเอเหมาะสมสมควรที่จะดาต่อไปหรือว่ายัางไงครับของเราครับเ ข, ข้าหาผูรู้อีกต้องพัฒนาต่อยอดไปอีกถ้าอยู่แค่นั้นเนี่ยมันยังมันก็จะไม่ใช่คือสังเกตอย่างนัว่าเราไปสังเกตอาการเต้น ของลิ้นปี๋มันตรงลิปีมันชิปประจอนอย่างนั้นเลยนะเป็นเครื่องรู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่เราเนี่ยให้มารู้ที่ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้เนี่ยเนีะยที่ไปรู้ชิปประจรนเนี่ยอย่ารู้อยู่ตรงชิปประจรแต่มารู้ตัวเราผู้ที่ไปรู้ชิปประจอนว่าตัวเราเนี่ยมีความคิดนึกติดตองพูดอยู่คนเดียวว่าอย่างไรแต่ถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ชิปประจรเต้นเนี่ยจะไม่คนทุกข์ บอกว่ามันไม่ได้ไปวางตัวเราแต่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้จิประจอ์เต้นเราต้องย้อนมาเอาจิประจอ์เต้นเนี่ยเป็นตัวล่อไว้เป็นเครื่องรู้ล่อไว้เพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ตัวเราที่ไปรู้จิประจอ์เต้นว่าตัวเราผู้ไปรู้จิประจอ์เต้นเนี่ยตัวเราเนี่ยมีความคิดตึกตรองวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยพูดว่าอย่างไรพูดคนเดียวว่าอย่างไงเช่นว่าเช่น อไอทีว่ารู้ว่าชีพประจาเต้นอย่างเนี้ยมันถูกหเนาะมันถูกตามคำสอนไหมมันจะทำให้คนทุกข์ได้ไหมหลายคนก็ยังฉกเถียงกันอยู่ว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้มันผิดเอี่มันผิดหรือไม่ผิดเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยต่ท่าที่เราก็รู้ชิพประจาเต้นอยู่เนี่ยแต่ในในใจของเราเนี่ยกลับพูดได้พูดพูดได้วิเคราะห์วิจารวิจัยติกตอไข้ควรได้เราก็ดูอยู่ในใจของเราเนี่แหละ ว่าในใจมันพูดว่าอย่างไงเราก็รู้อย่างนั้นแหละรู้ชิบะจรเต้นเป็นเครื่องรอไว้แล้วก็ดูในใจของเราสังเกตอยู่ในใจของเราความสังเกตเนี่ยจะต้องไม่ขาดวักขาดตอนเลยสังเกตเห็นตัวเราพูดได้อตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราเห็นตัวเราพูดได้แล้วเราจึงจะเลยไปถึงขั้นที่พูดกับท่านนันทวันเมื่อกี้นี้ที่ว่าเราจะจะกลายไปเป็นผู้รู้ผู้เห็นตัวเราพูดได้แต่ตัวเราเนี่ยที่มารู้เห็นตัวเราพูดได้ ไอ้ตัวนี้พูดไม่ได้คิดไม่ได้เราจะไปพบตัวเราที่แท้จริงที่ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้คิดไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่อาจคิดนั่นคือวิสังขารแต่ไอตัวเราที่พูดได้เนี่ยคือตัวสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งได้พูดได้คิดนึกคือความปรุงแต่งได้มีอารมณ์ได้เกิดดับได้เราจะไปถึงผู้รู้ที่ไม่คิด ผู้คิดไม่รู้ต้องมาเข้ามาหาตัวเราผู้ที่รู้เนี่ยอาการเต้นตุ๊บๆุๆบุุุเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้ามาหาผู้รู้นะ